อมแมนหลวงพ่อก็เฮ็ดทังสันโดยมากก็คือผู้ที่เอามากก็คือนำใจทุกคนก่อนทีเฮ็ดอาหารมาใดแต่คิดแล้วคิดอีกพร้พอมลูกพร้พอรมเต่าก่อนทีเอามาใหา้หลวงพ่อก็ได้ตักเอาผู้ละอันละสอนละสอนใส่บาทตทั้งที่เบิ้งในบาตรมันก็พอแห้งแล้วนะไปแต่เฮ็ดยังไงกันนำใจของผู้ที่เอามาก่อนที่จะเอามาใดนะก็ ค, คิดแล้วคิดอีก เพื่อจะทําบุญทําท่านผอมหลูก้อมเตา่าผ อ, อ, อมขอบผอมขั้วถึงจะดีแล้วบ่ดีก็คืออาหารในขอบขวัวของเขาเขากินยังสันนง่นวันเราไปเออเพราะนั้นมาหอดลงพอลงพอก็ต้องตักใส่บาตรผสมประสานกันกันว่าว่าแนวอื่นข่อยบ่เอาดอกเอาแต่แนวดีดีข่อยอันเดียวพ่อแล้ว น, นีมิมันจะเห็ุอย่างไรมันบ่ได้พวกอื่นมาก็โอ้ยลงพอบรรชันให้เหาาเฉยส่ แต่ก็เสียความรู้สึกยังลงพอไิบินทบาทยังจําบอลืมอยนออกไปบาทนี้มันคนมาหลายเลยคนมาหลายพระมันก็หลาบาทนี้จัดก็จัดบอเป็นระเบียบจัดแถวนะจัดแถวไ่บาตจัดบอดเป็นระเบียบจักสายได้ตาสายได้วนออกไปเอาไปมาพระไปกับปินทบาทลัดหนารัดหลังลำขัน้นบ้างก็รับเพื่อแล้วก็เกยจังได้ก็ติสันเอี่ยมอยู่หรอกมือ น, นี้นะก็กลาบเข้าไปพอรับกลับเข้าไป มหานย่อมเขาเตียมอยู่ฝุ่นเ้ี่ยนไปอยู่ฝุ่นวัวไปมันไปบวชอดเขาเขาก็เลยหองตะโกนว่าคูบาอาจารย์เอ้ยสันมาบินธบาตทั้งพีแล้าสันพวกขาจะเตียมมหาเนยไว้เนี่เตียมมัดมือมัดขึ้นบนไอ้ก่อนจะมาใสบาดได้เนี่เออเออจังไรจังไรก็มาหอดพีแล้าสันมาปวดแล้ามาบินมาใสมารับบินธบาตแด้าสันก่อนจะมาใสบาดได้เนี่ยผอมขอบผอมคัวมัดบานมดเทือนสัน เสียสิมาใส่บาทคู่ใบาจานที่ยางมารับท่านี้ก็บบุร่ก็โพดไปแล้วท่นเขาก็เลยอืแม่นความเข่าได้บาทเนี่ยเออแม่นความเขา่าเพราะนั่นพ่อใดพ่อปา ร, รีปนึงขั้นหลวง พ, พ่อพวกยางใดหลวงพอ่ออวดสาไปเวิ่เสียแต่มันวิ่งจนที่ตั้งตัวบรุร่ายังคอยเพ่นมนันไปมันบาไหวแล้วมนออไปกันว่าพ่อที่ไหวอยู่เนี่ยกวรจะไปรับไทยก่ะทันของเขา อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือน้ำใจผู้ที่จะมาทำบุญแต่ว่าจะให้ชั้นให้ทุกขูทุกคนมันมันก็บรรยาแหละเปียแบบลงปูขาวลงปูขาวไปหอดดนดนีน้ค่อยไปทีหนึง่งไปหอดโอ้ยลงปูชั้นน้ำไม้ได้ชั้นน้ำสมไม่ไดอน้ำสมคั้ น, มมน ด, ดีเลยแต่สมัยก่อนนะอลงปูก็บอกว่าสมัยกูเป็นนมสูเป็นยังเอาไม้กูกินมาให้กูกกเถาเป็นแห้ง จ, จะจะเกินโมลงเลยจะค่อยเอามเม่า เฮ็ดแบบนี้กัเฮ็ดแบบเย่อยกันต้องเ่ากระจายชันนะวะจะเกิดม่ลรงยังคอยเอามาไห้คนไปแมนควงลูกปูเนี้ยวะว่าพี่หน้าเบื้องล่ะพอหนัดลงพออินนี่ลงพอบอกว่าอันไหนเนี่ยมันแสบลูกหลานเนีเอามาไห้ลงพอชันเนี่ยวาบาหาลงพอเขาไปอยู่ของไอซียไปแห้งโอ้ลงพออันนี้แสบเดยมาให้มาลงพอมาฉันเลยอย่าเอามาไห้แท้เดีย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 ปฏิบัติไปตามที่หลวงพ่อพูดตามขั้นตอนแล้วก็คงจะหายสงสัยไปเรื่อยๆนะราะนี้ธรรมะในหลักของพุทธศาสนาแต่เหมือนกับพูดก็ว่าให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแต่เราเป็นครว่าต์ล้วก็โอ้ยไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงเราเป็นครวาต์หน้าที่การงานความรับผิดชอบป้านเรือนลูกเต่าเล้าล้านเราต้องรับผิดชอบ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 เอทำหน้าที่ดีที่สุดขนาดไหนก็เถอะแต่อีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องแบมือวางมือออขนาดน้ำเขาออกมาลดมือก็ยังยังไม่อยู่สักหยดในมือว่างั้นไหลออกหมดว่างั้นเถิด เ, เราต้องคิดอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเราทําใจอย่างนั้นได้เล้เถินี่ยใจของเราจะสบายอาอะไรก็ได้อืม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 ปนันท์พวกเราทุกๆคนเงเหมือนกันนะนะอถึงยังไงหน้าที่การงานก็ทําไปอย่าให้ขาดตกปกพ้องแต่ศีลธรรมในจิตใจก็ต้องคิดไว้อยู่เสมอสั่งสมไว้อยู่เสมออให้ฟังไว้อยู่เสมอหลวงพ่ออินเตือนนะหลวงพ่ออินเตือนอตายแล้วไม่ศูนตายแล้วไม่ศูนตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกนะเออต้องเตรียมมาไว้ถ้าคิดเพราะตายแล้วสูนะมันจะไม่ทําความดีไเลอตายแล้วสูนไปทำทำไม ตายแล้วมันศูนย์แต่มันไม่ศูนย์เลยทำไงนี่ที่หลวงพ่อพูดน่ะพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วพระพุทธเจ้าก็สงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์ใช่ไน้ำถกเถียงกันพลังเหมืกันนะพระพุทธเจ้าท่านไปภาวนาอยู่ที่โคลนต้นโพดูใจเมื่อใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วปุบเพนในวาสานุสติญาณอย่างที่หลวงพ่อเล่าแล้วเราอีกพูดแล้วพูดเองกระเพาะเนี่ยเออพอตายแล้วไม่ศูน วันนั้นพวกเราท่างว่าคิดว่าตายแล้วไม่สูญจะต้องสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจสิ่งที่มันชั่วอย่าทำไม่คิดไม่ทําไม่พูดนะจากนั้นก็กายวาจาใจของเราก็เป็นดีขึ้นเรื่อยๆแหลทะท่านนี่สั่งสมแต่คุณงามความดีจิตใจของเราก็ชุ่มชื่นเบิกบานมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้เป็นคําพูดคําสั่งลูกหลานนะออกตนญาติโยมฟังๆเอาไว้แล้วก็ขอให้เดินทาง ด้วยความสะดวกปลอดภัยกลับไปถึงบ้านแล้วก็สั่งสมคุณงามความดีบําเพ็ญบุญกุศลต่อไปอวันไหนว่างโอกาสว่งวางๆอ้าวขึ้นมาปฏิบัติธรรมมาวัดมาวา่ามารักษาศีล ม, มาภาวนาหาความสงบอยู่ในวัดนะ ม, มาชาร์จแบตเตอรีนะ่เหมือนกันเถอะนะพอไปทํางานแบตเตอรี่มันหมดนะกลับมาวัดนะมาชาร์จแบตเตอรี่ใหม่นะเออ อันรับพ น, นั้นจะนิอนุมโมทนาให้พรสะพโรขาวินิมตโตสะปสันตาปะ